ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ยี่สิบแปดคิดว่าจะพูดสั้นๆหน่อยเป็นเรื่องสืบเรื่องจากเก่าญาติโยมไม่ได้ฟังต่อเนื่องมาก็อาจจะไม่ปฏิติดปตอ่ออาจจะเข้าใจละบากนิดหน่อยก็ถือว่ามาสรุป เรื่องเดิมที่คุยกับพระมาเรื่องธรรมวินัยนี่แหละอันนี้ก็มีข้อที่ควรทราบเพิ่มอีกนิดหน่อยบางทีอาจจะคุยกันไปแล้วก็นได้แล้วก็มันมากเขาก็กจะลืมเลือนไปก็พูดละอย่างอันนี้ก็เรื่องธรรมวินยัยรวมความสั้นๆก็ ตัวจริงเดิมก็คือธรรมะมีธรรมะก็ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาตินี่ว่ามนุษย์เราก็อยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี่ก็จะให้ชีวิตนี้ดีงามดำเนินไปอย่างถูกต้อง ก็จะต้องรู้เข้าใจธรรมะนั้นแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมนี่เพื่อจะให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมะท่านผู้รู้ก็เลยมาจัดวางระบบระเบียบกฎเกณฑ์กติกาวิธีปฏิบัติในการดำเนินชีวิตขึ้นจากธรรมะก็เกิดเป็นวินยัยเพราะว่าธรรมะคือตัวความจริง นี่ก็เอาความรู้ในความจริงที่เรียกว่าธรรมะนี้มาจัดตั้งวางเป็นระบบแบบแผนขึ้นอันนี้เรียกว่าวินัยทีนี้วินัยก็ต้องเป็นไปตามธรรมะนะเพราะว่าเราก็คือเอาความจริงนั่นแหละมาใช้ น, นั้นวินัยที่เอาประโยชน์จากความจริงหรือเอาความจริงมาใช้ประโยชน์ มันก็ต้องให้มันเป็นประเดยสอดคล้องกับตัวธรรมะเมื่อจัดวางวินัยเป็นแบบแผนเป็นระบบหรือเป็นโครงสร้างในสังคมมนุษย์ขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็จะได้ปฏิบัติตามนั้นก็เท่ากับปฏิบัติตามธรรมไปด้วย <Yeah. S 1> ก็หมายความว่าการจัดตั้งวางระบบที่เรียกวินัยก็ต้องจัดตามธรรม พอจัดขึ้นมาแล้วก็ช่วยให้คน่ได้ปฏิบัติตามธรรมเพราะคนปฏิบัติไปตามธรรมแล้วก็จะได้เข้าถึงธรรมแล้ <Yeah. S 2> วเข้าถึงธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์จากธรรม <Yeah. S 2> นี่ก็คือความประสานสดคล้องระหว่างธรรมกะกินในทีนี้ในเรื่องของธรรมะนั้นความหมายที่เราพูดกันไปแล้วมีสี่อย่าง อันที่หนึ่งก็คือสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันที่เราเรียกว่าธรรมชาติสองก็ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นความเป็นไปของมันที่เป็นไปนตามเหตุปัจจัยหรือเรียกว่าธรรมดาของสิ่งทั้งหลายหรือกฎธรรมชาติแล้วก็สามตัวความจริงนั้นที่มาสัมพันธ์กับมนุษย์ว่ามนุษย จะต้องปฏิบัติตามมันเพื่อจะให้ตนเองนี้ได้มีชีวิตที่ดีเราจะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวธรรมะความจริงนั้นในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่มนุษย์คนจะทําตามเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตของตอนก็เรียกว่าธรรมะ สามอย่างนี้ก็เป็นของที่เป็นนามธรรมมีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติอันนี้พระพุทธเจ้าไปค้นพบรู้ความจริงรู้ธรรมะทั้งสามอย่างนี้เอามาสั่งสอนเอามาประกาศเอามาแสดงคำสอนของพระองค์ก็เป็นสื่อให้เราเข้าถึงธรรมะสามประการแรก ธรรมะคำสอนของพระองค์นั้นเท่ากับเป็นตัวแทนของตัวธรรมะที่เป็นความจริงอยู่ธรรมดาก็เลยพลอยเรียกคาสอนของพระองค์ว่าเป็นธรรมะไปด้วยนี่ก็เป็นธรรมะความหมายที่สคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสื่อเป็นตัวแทนแสดงความจริงที่เป็นธรรมะอยู่ในธรรมชาติ ทีนี้ด้านวินัยก็เหมือนกั น, นธรรมะนี่กลายเป็นว่าเป็นคำสอนที่เอามาจารึกเป็นข้อความได้ก็เรียกว่าธรรมะทีนี้วินัยตัวการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมะนั่นการวางระบบจัดตั้งแบบแผนในสังคมกิกาอติกา ท, ทีนี้เอามาวางมาเป็นแม่บทเป็นตัวบทกฎหมายเป็นตัวบทกฎหมายให้รู้ว่า จะจัดรูปแบบสังคมอย่างไรจะให้มีระเบียบในการดําเนินชีวิตยอย่างไรให้สังคมนี้ชุมชนนี้มีโครงสร้างอย่างไรไอตัวบทหรือเป็นกฎหมายอะไรพวกนี้ก็เลยชื่อเรียกว่าวินัยด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าไอตัวบทข้อความที่มากําหนดว่าจะให้จัดยังไงปฏิบัติกันยังไง เป็นความหมายหนึ่งของวินัยก็เลยไปคู่กับความหมายของธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนที่สื่อเป็นตัวแทนแสดงตัวธรรมะที่แท้จริงอันนี้ธรรมะที่เป็นคำสอนก็มาจะลึกเป็นข้อความเป็นหนังสือเป็นคำภีได้วินัยที่เป็นแม่บทเป็นตัวบทเป็นกฎหมาย ก็เอามาจารึกเป็นข้อความในคัมภีร์ในหนังสือได้เช่นเดียวกันอันนี้แหละก็เป็นธรรมะกะวินัยที่ถ่ายทอดกันมาถึงเราได้ในปัจจุบันแต่ว่าวินัยที่มาบันทึกไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาก็จะเน้นที่วินัยสําหรับพระสงฆ์นะซึ่งเป็นชุมชนที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเรียกว่าสังฆะก็เป็นตัวบท ปัญญิสาหรับมาจัดสงนี้ mm hmm. เพื่อจะให้พระภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในสงนี้ดาเนินชีวิตให้เป็นไปตามนั้น mm hmm. ก็เป็นทีนี้ก็ไปเอาได้ความหมายในแง่ที่เป็นตัวหนังสือและธรรมะกวินไนนี่ mm hmm. เป็นข้อความหรือคำพูดกันแล้วแต่ mm hmm. ก็คู่กันมา mm hmm. เวลานี้เราพูดถึงคำว่าธรรมะวินัน mm hmm. ในด้านหนึ่งก็ ธรรมะก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าวินัยก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติจัดวางไว้เป็นตัวบทกฎหมายคิดว่าแค่นี้ก็คงจะทําให้เกิดความชัดเจนพอสมควรในเรื่องธรรมาวินัยก็คู่กันมาทั้งหมดนี้ก็รวมเป็นพระพุทธศาสนาทีนี้ในคำว่าวินัยนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าศึกษาเพิ่มอีกนิดหน่อยมีคําใกล้เคียง คือคำว่าวินัยมักจะได้ยินใกล้กับคำว่าศีลนะแล้วก็คำว่าศกขาบบทสำหรับทันทีไม่คุ้นกันบศัพท์ทางศาสนาก็อาจจะได้ยินไม่ครบทุกคำแต่ว่าจำเป็นจะต้องรู้ไว้เพื่อความชัดเจนเพราะคำว่าวินัย น, นี้เป็นคำรวม อย่างเวลาบัญญัติเป็นตัวบทกฎหมายนะว่าให้พระภิกษุพูดอย่างนั้นอย่างนี้วินัยนี้จะเป็นคํากว้า ง, างหมายถึงทั้งหมดเลยหมายถึงถ้าเรียกอย่างกฎหมายก็คล้ายๆประมวลกฎหมายเป็นคํารวมทั้งหมดไม่เป็นข้อข้อเป็นข้อข้ อ, ขอนี้เรียกว่าวินัยไม่ได้บางทีเราก็มาใช้เรียกกันก็ไม่ถูกต้องคําว่าวินัยในภาษาบาลี เป็นคําเอกพจน์คือทั้งหมดยังประมวลกฎหมายประมวลบทบัญญัติสําหรับพระภิกษุทั้งหมดก็เรียกวิไนสําหรับพระภิกษุทั้งหมดนี่เรียกเป็นอันเดียวกันยังไม่แบ่งเป็นข้อๆหรือถ้าหากว่าเป็นสําหรับภิกษุณีสงฆ์ก็เป็นวิไนสําหรับภิกษุณีก็หมายถึงทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็รวมเป็นเรียกว่าวิไนเป็นอันเดียว แต่แต่ละข้อละข้อนั้นเรียกวินัยไม่ได้ <Yeah. S 1> วินัยเป็นคำรวมทีนี้ทำไงเวลาแยกเป็นข้อขอเวลาเป็นครอบบัญญัติว่าจะให้ทำยังไงหรือไม่ให้ทำยังไงเช่นว่าภิกษุไปขออาหารบินดาบาตกบคฤรุหัสหรือญาติโยมที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวรนามีท่าขอมาเพื่อตน มีความผิดอย่างนี้เป็นต้นะเป็นอาบัตนี่อย่างนี้เนี่ยที่เป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่จะต้องปฏิบัตินะเรียกว่าอะไรเรียกว่าสิขาบทนะแต่ละข้อนี่เหมือนอยางกฎหมายนี่ก็เป็นคำรวมแต่ละข้อก็อาจจะเรียกเป็นมาตราหรืออะไรก็แล้วแตนะ่คำว่ามาตรานี่ ไม่ได้มีความหมายดีชัดเหมือนของพระคําว่าสิกขาบทจะมีความหมายที่ชัดเจนมากแสดงวัตถุประสงค์ว่าเพื่ออะไรเป็นอันว่าวิเนยนั้นเป็นคํารวมแต่ละข้อในวิเนยนั้นเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทแปลว่าอะไรสิกขาบทก็มาจากสิกขากระบทบทแปลว่าข้อสิกขาแปลว่าศึกษาหรือสําหรับฝึกคน อันนั้นสิกขาบทก็แปลว่าข้อฝึกหรือว่าแบบฝึกหัดแต่ที่จริงก็คือข้อฝึกหัดข้อฝึกตนคือพุทธศาสนานี่มองการประพฤติธปฏิบัติว่าเป็นเรื่องของการศึกษาหมดเป็นเรื่องของการฝึกฝนทำให้คนดีขึ้นถ้ามองเป็นเรื่องฝึกก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องบังคับ สําหรับคนหมายบ้านเมืองนี่บางทีไม่ได้ทําความเข้าใจเรื่องนี้ประชาชนก็มีความรู้สึกเป็นข้อบังคับไปจะสังเกตเห็นนะไม่เรียกข้อบังคับเรียกว่าข้อฝึกคนไทยเราชอบใช้คําว่าข้อบังคับในพระพุทธศาสนาเรียกว่าข้อฝึกให้เราเกิดความรู้สึกว่าเออนี่มันเพื่อ ความดีความงามของชีวิตของสังคมเรามาปฏิบัติตามนี้ก็เราก็ฝึกตนนะเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีงามเป็นอันว่าวินัยเป็นคำรวมแล้วในวินัยนี้บทบัญญัติแต่ละข้อเรียกว่าศิขาบทแปลว่าข้อฝึกในอย่างสีล227เของพระนี่ก็เรียกกันไปอย่างนั้นเองที่จริง สับที่ถูกเรวสิกขาบท2องร้อิบนะคริสูจก็มีสิกขาบทมีวินัยที่ประกอบด้วยสิกขาบทคือข้อฝึกนี้227ข้อไม่ได้เรียกว่าศีลศีลนะก็เป็นภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ใช้สับสนหมดคาว่าวินยัยคําว่าศีลคําว่าสิกขาบทอะไรก็สิกขาบทไม่เขาได้ยินอ่ะได้ยินแต่วินัยบางศีลบ้าง แล้วก็มันเรียกเป็นศีล5้าศีลสอง้อเเพราะเอาศัพท์จริงนี่ไม่ถูกหมดเลยนะะเพราะแต่ละครนี่เรียกว่าศิขาบทแปลว่าข้อฝึกภิกษุไปลักภิกษุใดไปถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ตั้งแต่ห้ามาสกขึ้นไปขดัดถ้าเป็นประชิกอย่างนี้ก็เป็นศิกขาบทหนึ่งใช่ไหมหรือภิกษุที่ไปฆ่ามนุษ ก็เป็นสิกขาบทหนึ่งเป็นอาบัติปาราชิกเลือภิกษุฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นอาบัติเล็กลงมาเบาก็เรียกว่าเป็นอาบัติปาจิตติเนี่ยแต่ละข้อละข้อนเนื่อสิกขาบทเป็นข้อฝึกหมดเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องของถ้อยคาที่คนทราบ แต่ในถ้าเป็นภิกษุณีก็จะมีวินัยที่ประกอบด้วยสิกขาบทสามร้อยสบเอ็ข้อนี่ถ้าเป็นญาติโย ม, มก็ต้องมาตกลงกันสําหรับญาติโยมนี่ก็เอาอะไรเป็นวินัยล่วนะวินัยสําหรับญาติโยมชาวพุทธนี่ไม่ค่อยชัดเจนสําหรับพระนั้นชัดแหละนี่ในอัตถกถาท่านก็แนะท่านบอกว่าใช้หลัก ในสิงคหละสิงคหละกะสูตรนี่แหละเป็นวินัยสําหรับครือหัดแต่ที่พูดกันในมังไทยได้ ม, มากก็จะเอาศี่ห้าที่จริงศีลห้านี่คงไม่พอแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีเอ้าอย่างในอันตกระถามงคลสูตรหรืออย่างในมงคลรตตีปณีก็ให้เอากุศลกรรมบท10บและการเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบนี่เป็นวินัยสําหรับครือหัด นี้คนไทยทั่วไปก็จะเอาแค่ศีลที่เราเรียกว่าศีลห้าซึ่งที่จริงก็ไม่ถูก่ที่เราเรียกว่าศีลห้านี่ให้เป็นวินัยสําหรับคฤุ่หัดชาวพุทธคลุ่หัดน่าจะมาตกลงกันสัทีว่าเอาไหนแค่ไหนเป็นวินยัยใช่ไหมทีนี้วินัยของคลุ่หัดก็จะประกอบด้วยถ้าเอาศีลห้าก็เท่ากับมีสิกขาบท5้าวินัยนี้ก็มีสิกขาบทห้ า, นะ า, า, ห, าหรือจะเอาศีลแปด ก็ศีลแปดมันก็จะไม่ไม่ไม่พอดีมาเกินไปอาจจะเกินจำเป็นศีลแปดศีล ส, สิบถ้าเนาะเอาแค่ศีลห้าคือที่จริงศีขาบทหแล้วอาจจะไปเอาข้อปฏิบัติอื่นๆเข้ามารวมก็ให้เป็นวินัยสำหรับขริฮัตเอาลครับเรื่องวินัยกับิกขาบทก็คงจะเข้าใจชัดแลละ ทีนี้ศีแลแหละวินัยก็มาขาคู่คําว่าศีลอีกเราก็ใช้คําว่าศีลจกนกระทั่งสับสนสน่ยศีลก็ปนเปสับสนก็คําว่าวินัยบ้างปนเปสับสนก็คําว่าสิกขาบทบ้างนะวินัยกับศีลบางคนก็แยกไม่ออกต่างกันอย่างไรนะวินัยก็บอกแล้วนี่เป็นการเอาธรรมะเอาความรู้ในความจริง มาจัดตั้งวางเป็นระเบียบระบบแบบแผนในสังคมมนุษย์ให้มนุษย์ได้ปฏิบัติกันจริงเป็นรู ป, ปรธรรมไม่ฉะนั้นธรรมะก็ยังอยู่ในธรรมชาติอยู่นไม่มีเครื่องกำหนดช่วยว่าทำไงจะได้ปฏิบัติกันจริงจังเป็นเรื่องแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สมัครใจพอวางเป็นวินยัยเป็นแบบแผนขึ้นมาเอาจริงๆนะในชุมชนนี่ในสังคมนี้ต้องว่ากันตามนี้เพื่อจะได้ชีวิตมันจะได้เป็นไปตามธรรมะ อันนี้วินัยก็เป็นรูปแบบเป็นการจัดตั้งเป็นการจัดระเบียบ ร, ระบบภายนอกตลอดเจกนกระทั่งเป็นตัวบทกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์กติกาอยู่ข้างนอกมันก็มาเป็นเครื่องฝึกคน <Yeah. S 2> เป็นเครื่องฝึกคนทำให้คนได้มีชีวิตที่ดีงามตามธรรมะ ถ้าเป็นเรื่องของชุมชนบางทีก็เลยกลายเป็นการปกครองไปนะวินัยนี้มีความหมายเป็นการปกครองก็ได้เพราะว่าเมื่อเราจัดตั้งวางระบบอย่างนั้นแล้วก็จะต้องมีกระบวนการที่จะให้คนเนี่ยปฏิบัติไปตามนี้กระบวนการที่จะให้คนปฏิบัติไปตามนี้ตามรูปแบบระบบกฎเกณฑ์กติกาที่วางไว้เราก็เรียกว่าการปกครองเพราะฉะนั้นะวินัยก็เลยมีความหมายเป็นการปกครองด้วยแต่มันก็ยังอยู่ข้างนอ ก, ก น, นั่น จะเป็นระบบแบบแผนที่จัดตั้งวางจะเป็นกติกาจะเป็นบัญญัติจะเป็นการปกครองเพื่อจะให้คนไปทำตามบัญญัติเหล่านี้มันก็ยังเป็นของอยู่ข้างนอกอันนี้ทาไงจะให้มันเป็นของจริงก็ต้องปฏิบัติตามนี้คนไหนปฏิบัติตามวินัยที่เป็นของจัดวางไว้ข้างนอกได้ตัวเองคนนั้นปฏิบัติตาม นะปฏิบัติตามก็ต้องฝึกตัวสิใช่ไหมปฏิบัติตามจกนกระทั่งทำได้ตามนั้นถ้าใครทําตามวินัยนั้นนะซึ่งแยกเป็นข้ขอๆก็เป็นศิกขาบททําได้ตามนั้นตัวเองก็เลยมีความประพฤติอย่างนั้นไปมีความประพฤติตามวินยัยวินัยก็เหมือนเข้ามาอยู่ในตัวเองถ้าอะไรการปฏิบัติตามวินัยนั้นเข้ามาเป็นคุณสมบัติของตัวคน คือคนนี้ไปตั้งอยู่ในวินยัยอันนั้นกลายเป็นศีลนะศีลก็คือคุณสมบัติของคนการที่คนนั้นไปปฏิบัติตามวินยัยหรือตั้งอยู่ในวินยัยหรือแยกเป็นข้อๆก็ ป, ปฏิบัติตามสิกขาบทนี่เรียกว่าศีลนะอันนั้นศีลเป็นคุณสมบัติของคนวินัยนี้เป็นของข้างนอกเป็นระเบียบระบบการจัดตั้ง และการปฏิบัติไปตามวินัยนั้นก็เป็นศีลเพรานะนั้นศีลอยู่ที่ตัวคนนี่คือความหมายที่แท้ส่วนความหมายที่ว่าทั่วๆไปนี้ก็จะสับสนก็ถือว่าใช้อย่างรู้กันทนะีนี้ก็ตอนนี้ก็แยกได้เลยนะะระหว่างวินัยกับศีลเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่า มีญาติโยมมาขอศีลเนี่ยแต่พระไม่ได้ให้ศีลแต่เราพูดกันว่ า, วาพระให้ศีลแต่ที่จริงพระไม่เคยให้ศีลแล้วถ้าดูคําบาลีแล้วไม่มีพระไม่เคยให้ศีลญาติโยมจะมาขอศีลแตว่ามาถึงก็มายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดฐายะติสรเนศสหปัญจศีลานิยาัจามะอวังนันต์บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่าพระเจ้าทั้งหลายขอ ปัญจศีลานินะขอศีลหนะ้าะแล้วก็บอกวิสุงวิสุงเราคันดัถายะเพื่อจะแยกรักษาหรือรักษาแยกแยกเป็นส่วนๆแต่ว่ารวมความก็คือมาบอกว่าขอศีลนะแล้วแถมแยกเป็นข้อข้อซะอีกเรียกอีกนะที่จริงศีลนี่เอาค่าจริงๆมันเป็นคุณสมบัติในตัวคนมันแยกเป็นข้อไม่ได้เป็นคุณสมบัติของคน ทีนี้โยมเกิดมาขอศีลเนีเอา้าวทีนี้พระทําไงพระก็เอานะเธอต่อไปนี้ว่าตามว่างั้นจะขอศิญก็ปฏิบัติตามต่อไปนี้หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิว่างั้นก็บอกว่าอะไรล่ะสมาธิยามิบอกข้าพเจ้าขอรับไปถือรับไปปฏิบัตินี่สมาธิยามิข้าพเจ้าขอรับปฏิบัติ ซึ่งสิกขาบทนี่มาและสิกขาประทางไม่มีคำว่าศีลนะข้าพเจ้าขอรับปฏิบัติซึ่งสิกขาบทคือข้อฝึกปานาติปาตาเวรมณีที่จะงดเว้นจากการทำลายชีวิตนไม่มีคำว่าศีลแล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยเป็นเรื่องของท่านน่ให้ท่านว่าเอาสินีท่านก็ พูดเอาเองนี่บอกว่าตัวข้าพเจ้าจะรับไปปฏิบัติใช่ไหมญ า, าติโยมก็บอกกลปยายเป็นญาติโยมเนี่ยจะปฏิบัติเองข้าพเจ้าขอรับปฏิบัติขอถือปฏิบัติซึ่งศึกษาบทคือข้อฝึกที่จะเว้นจากการทําลายชีวิตแล้วข้อ2ก็เว้นจากการถือเอาของที่เขาวม่ได้ให้ข้อสก็เว้นจากการประพฤติผิดในการมข้อ4ก็เว้นจากการประพฤติผิดข้อห ก, ก็เว้นจากสุราเมลัย เครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตกลงว่าที่มาขอศีนะ่ะโยมบอกอพระบอกให้โยมว่าวเองว่าฉันจะถือปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นนั้นว่าหนึ่งไม่ได้ให้ด้วยให้เขาบอกจะรับปฏิบัติเองแล้วก็สองก็ไม่ได้ให้ศีนะ่บอกอ น, นี่เป็นสิกขาบทแต่ละข้อละข้อเป็นข้อฝึกนี้สรุป พอสรุปพอพระบอกห้าข้อนี้เสร็จนะโยมว่าตามเสร็จพระก็สรุปบอ ก, อ, กอีมานี้ปัญจะศึกขาประธานิใช่ไหมอีมานนี่นะโยมขอปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอปัญจศีลานิศีนห้าแต่พระสรุปบอกอีมานี้ปัญจะศึกขาประธานิบอกนี่คือศึกขาบทห้าใช่ไหมอา้าวเขาขออย่างหนึ่งไว้บอกอีกอย่างหนึ่งไงไี้มา เวลาสรุปก็ไม่ตรงกับที่เขาขอแทนที่จะบอกอีมาณ้ปัญจะศีลานิไม่ได้บอกงานบอกอีมาณ้ปัญจะศิขาประธานนี้เนี่ยบอกนี่คือศิขาบทห้าศีเลนะอ้าวทีนี้จึงบอกอนิสงส์ต่อไปศีเลนะสุขติงยันติบอกว่าบุคคลจะถึงสุขติได้ด้วยศีลทีนี้ตอนนี้แหละบอกแหละบอกเรื่องศีแลแหละ บอกว่าถ้าคุณประพฤติตามนี้นะคุณจะเป็นผู้มีศีลแล้วด้วยศีลนั้นเนี่ยคือที่คุณประพฤติได้แหละจะทําให้ไปสุคติได้ศีเลนนะโผล่ับสัมปทาด้วยศีลก็จะมีความถึงพร้อมได้โผคาเนี่เป็นเรื่องสังคมถ้าสังคมเต็ ม, มไปด้การเบียดเบียนการประพฤติผิดในสิกขาบทนิหะก็เดือดร้อนกันไปหมดสังคมจะอยู่ดีไม่ได้นะีสังคมจะดีก็ต้อง คนในสังคมนั้นจะต้องมีศีลมีศีลก็คือรักษาสิกขาบทนี้ถือปฏิบัติตามสิกขาบทสีเลนะสุขติยัาติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะลนะนิพุติยัาติเ่าก็จะบรรลุนิพพานได้ก็ได้ศีลหมายความว่าต้องอาศัยศีลเป็นฐานนะไม่ใช่ศีลอย่างเดียวพอนะ สายศีลนี้ก็จะบรรลุนิพพานได้ด้วยแต่ตอนนี้ท่านสรุปว่าได้ศีลได้ศีลก็คือด้วยคุณสมบัติในตัวท่านที่ท่านไปปฏิบัติตามสิกขาก็ไปอ่านว่าเท่ากับพระบอกว่าเออคุณมาขอศีลหรือคุณเอาสิกขาบทนี้ไปปฏิบัติเมื่อคุณปฏิบัติตามสิกขาบทนี้แล้วคุณก็จะมีศีลนะเป็นเรื่องของตัวคุณเองพระให้ศีลไม่ได้ แล้วใครจะไปให้ศีลกันได้ยังไงล่ะศีลมันเป็นคุณสมบัติในตัวใช่ไหมมันก็คุณก็ต้องไปปฏิบัติไปฝึกเอาเมื่อท่านฝึกเอาศีลมันก็เกิดขึ้นในตัวท่านแล้ได้ศีล น, นั่นแหละก็จะเกิดอานิสง์เกิดประโยชน์ต่างๆอย่างที่ว่าไปนั้นตัดสมาศีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพึงชําระศีลให้บริสุทธิ์หมายความว่าทําความประพฤติปฏิบัติในตัวเองให้ดีนะจบ เปี น, นั้นว่าโยมขอศีลพระให้สิกขาบทบอกว่าท่านปฏิบัติตามข้อฝึกคือสิกขาบทนี้แล้วท่านก็จะเป็นผู้มีศีนะีเข้าใจนะฮะเพียงนันว่าจะได้เห็นกันให้ชัดไปเพราะเดี๋ยวนี้ก็พูดกันแล้วก็ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะเอาไปอาราธนาศีลขอศีลพระอาราธนาศีลห้างสแปดบ้างแล้วแล้วก็บอกพระให้ศีล แต่ความจริงไม่ได้ให้เลยถ้อยคำบาลีชัดเลยไม่ได้ให้สินะนี่นก็ถ้าเข้าใจหลักการนี้แล้วก็ในการปฏิบัติก็จะชัดด้วยนะเนี่ยถ้อยคำเหล่านี้เป็นการแสดงหลักการของพุทธศาสนาชัดเจนว่าเป็นชีวิตาการฝึกฝนพัฒนาแล้วจะได้เป็นชีวิตที่ดีงาม อันนี้มาพูดถึงเรื่องศีลแล้วก็เลยพูดถึงสมาธิปัญญาด้วยเพราะว่าเป็นชุดกันในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้เนะี่ยให้ศีลก็ไม่ได้เหมือนกันให้สมาธิให้ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมให้สมาธิได้ไงสมาธิมันต้องเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตัวคนนั้นเขา็ต้องฝึกให้มันมีในตัวให้ปัญญาได้ไหมให้ไม่ได้ตกลงว่า ไม่เฉพาะศีลหรอกสมาธิปัญญาให้ไม่ได้ทั้งนั้นทําไงล่ะเขาอยากจะได้ศีลก็ให้เขาเอาสิกขาบทไปปฏิบัติเมื่อเขาฝึกปฏิบัติตามสิกขาบทเขาก็มีศีลขึ้นมาหนึ่งแล้วนะทีนี้เอ้าเขาขอสมาธิทําไงพระท่านก็ให้กรรมฐานไปคุณเอากรรมฐานไปฝึกไปปฏิบัติคุณก็ได้สมาธินีสมาธิก็เกิดขึ้นในตัวคุณเอง แล้วปัญญาล่ะเนี่ยเขาขอปัญญาให้ปัญญาไม่ได้แล้วทำไงก็ให้สุตตะไปให้ข้อมูลความรู้ให้ข้อแนะนำคำสั่งสอนแล้วเขาก็ไปเรียนรู้ไปพิจรารณาปัญญาก็เกิดกับตัวเขาเองเนีเป็นนั้นว่าศีลสมาธิให้กันไม่ได้เป็นเรื่องที่คนนั้นจะต้องฝึกฝนพัฒนาขึ้นในตนเอง ก็จึงเรียกว่าศขาแปลว่าการเรียนรู้ฝึกฝนทำให้มีขึ้นมาอันนี้ก็เปลี่ยนเกล็ดความรู้นะฮะก็ย้ำอีกทีแปอันว่าเขาขอศีลเราให้อะไรให้ศิขาบทนะเอาข้อฝึกไปปฏิบัติเอาแล้วคุณก็จะมีศีลเขาขอสมาธิให้อะไรให้กรรมฐาน หรือจะเรียกว่าให้อารมณ์กรรมาฐานกันแล้วแต่ก็คือข้อปฏิบัติที่จะไปฝึกแล้วเกิดสมาธินะแล้วก็ขอปัญญาให้อะไระให้สุตะสุตะก็แปลว่าสิ่งที่ได้สะดับฟังสิ่งที่เล่าเรียนสิ่งที่อ่านแลอะไรก็ตามก็เป็นข้อแนะนำคำสั่งสอนนี่แหละให้ไปแล้วเขาก็ไปเรียนรู้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาในตัวเขาเอง อ้าวทีนี้ก็มีศัพท์พิเศษอีกศัพท์หนึ่งคือเราจ ะ, จะได้ยินว่ามีคำว่าศีลแลวัดนี่คำว่าวัดก็มีคำหนึ่งอันนี้ศีลนะอย่างที่บอกแล้วในภาษาชาวบ้านและในความหมายอย่างหนึ่งที่พูดกันง่ายๆก็เลยไม่เคร่งครัดก็มาใช้แม้แต่เรียกเหมือนกันมาเรียกตัวบทข้อบังคับที่เรียกศกขาบทด้วย แต่ว่าใช้ในความหมายกว้างๆคือว่าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละการประพฤติปฏิบัติที่วางให้คนทุกคนในหมู่ชนนั้นเช่นในสง์เนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติเสมอกันนะคล้ายๆกับว่าอา้าวถ้าอยู่ในชุมชนนี้ก็ต้องถือเหมือนกัน ก็จะเป็นเรื่องศีลทีนี้มันจะมีข้อปฏิบัติพิเศษที่ว่าไม่จำเป็นต้องถือปฏิบัติเหมือนกันให้เลือกได้ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมเฉพาะตัวบ้างหลายบางข้อปฏิบัติพิเศษอย่างนี้นะเขาเรียกว่าวัดเช่นอย่างทุดงทุดงก็ภาษาไทยก็เข้าใจผิดอีกแหละ ตัวดวงแปลวข้อปฏิบัติในการขัดกลากิเลสแปลว่าทุตะผู้ขัดกลากิเลสอังคะแปลวองค์หรือคุณสมบัติคุณสมบัติข้อปฏิบัติของผู้ที่ขัดกลากิเลสมีสิบสาข้อสิบสข้ อ, ขอก็มีหลายอย่างเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอาหารบ้างเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหนุงห่มบ้าง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้างเกี่ยวกับอิริยาบถบ้างถือข้อปฏิบัติเหล่านี้จะกลายปเป็นผู้เครึงคลัดการเครึงครัดก็คือความประสงค์ขัดเกลากิเลสของตัวเองไม่ได้คร่งคลัดเพื่อจะไปให้ใครมาเลื่อมใสนับถือหรืออะไรไม่ใช่ไปอวดใครเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองเพราะตัวเองนี่มันอาจจะกิเลสมากนะ บางคนกิเลสมากในเรื่องไหนก็จะไปถือทุ ด, ดงในเรื่องนั้นนะหรือแม้ไม่มีกิเลสมากแต่ว่าต้องการขัดเกลารตัวเองฝึกตัวเองเป็นพิเศษก็ถือทุ ด, ดงข้อนั้นๆหรือท่านผู้บรรลุธรรมแล้วบางทีก็ถือเพราะว่าเห็นว่าเหมาะกับชีวิตของตนเองนะทําให้ชีวิตตัวเองนี้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นแบบอย่างแกคนรุ่นหลังอย่างพระหมหากัสปะเ ป, ปรยทารก็ถือได้ถือเป็นตัวอย่าง อันนี้เกี่ยวกับอาหารก็เช่นว่าฉันมื้อเดียว น, นี่เป็นทุนดวดงคนอนีน่ฉันมื้อเดียวก็เป็นทุน ด, ดงเรียกว่าถือบินตบาดเป็นวัดคือเป็นประจำถือบินตบาดออกบินตบาตไม่รับนิมนต์ญาติโยมนิมนต์ไปฉันที่บ้านไม่เอานีฉันแต่อาหารที่ออกไปเดินบินตบาดอย่างเดียวนี่ก็เป็นทุน ด, ดง เรียกว่าอย่างเครื่องนุ่งห่มจีวรก็ใช้จีวรแค่ชุดเดียวสามผืนเรียกว่าใจจีวรเกินนั้นไม่เอานี่ก็เป็นทุดงพ้อนึ่หรือว่าใช้แต่ผ้าจีวรบางสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วตัวเองไปเที่ยวเก็บมาแล้วก็มารวบรวมไว้พอแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมทำเป็นจีวรเองนะ นี่เรียกว่า บ, บางสกุลจีวรถือว่าชำอย่างนี้เท่านั้นไม่รับจีวรดีๆที่ญาติโยมถวายไม่เอาเนี่ยถ้าถืออย่างนี้ก็เป็นทุดงอีกข้อ น, นึงแล้วทุดงก็มีเยอะและเสนาสนะก็เหมือนกันเนี่ยถืออยู่แต่ป่าเป็นวัดคือเป็นประจําก็เป็นทุดงข้อ น, นึงแต่ว่าที่ว่าถืออยู่ป่าอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความเป็นประจําตลอดชีวิต ถือแล้วแต่ถือกำหนดเวลาเดือนเดียวก็ได้สองเดือนก็นได้ถือพรรษาหนึ่งก็ได้หรือถือตลอดชีวิตอย่างพระหมหากระสปะ ก, ก็ได้คือยืดยุน่นหรือว่าถืออยู่โคนไม้ก็ได้นี่ก็เป็นทุดงข้อหนึ่งเขาเรียกว่ารุปขมูลถือทุดงข้ออยู่โคนไม้ไม่อยู่ในกุติไม่อยู่ในที่อยู่แต่ว่าถือข้อทุดงข้ออยู่โคนไม้นี่ มีบินในเป็นบัญญัติเป็นสิกขาบทห้ามมาอีกว่าถือได้เฉพาะนอกพรรษาในฤดูฝนเข้าพรรษาแล้วห้ามถือทุดงข้อลุกขมูลเพราะเป็นอันตรายไปอยู่ไงกลางอยู่ใต้โคนไม้อย่างไรอยู่ที่โคนไม้ใต้ลมไม้ฝนตกลงมาก็แย่สิใช่ไหมเพราะฉะนั้นการถือทุดงข้อนี้ก็มีข้อจํากัดเวลาเข้าพรรษาแล้วจะต้องมีที่อยู่ ที่คุ้มฝนได้ปลอดภัยอันนี้บางท่านก็ถืออยู่ป่าช้านี่ก็เป็นทุดงข้อหนึ่งหรืออย่างบางท่านที่นี้นในแง่เรียบทถือนั่งไม่นอนเลยนอนด้วยการนั่งหลับเวลาจะหลับก็นั่งหลับเอามีพระบางองค์อันนี้เรียกว่าข้อนี้ถือนี่เฉียดเฉียดกันไปแล้วเฉียดที่จะทรมารตตัวต้องระวงัง เนะี่ยเพราะว่าไม่นอนเลยนี่เอานั่งหลับเอาหลวงลุงท่านได้ทั้งนั่งทั้งนอนได้ทั้งสองอย่างนะอันนี้ก็แปล น, น, นี้เป็นตัวอย่างของตุดงนะทั้งหมดมีสิบสามข้อจะเห็นว่าเป็นข้อปฏิบัติของผู้ขัดกลากิเลสถือเคร่งครัดอย่างนี้เป็นวัดไม่เป็นการบังคับไม่ใช่ภิกษุทุกรูปต้องถือ ใครจะถือไม่ถือก็ตามสมัครใจเป็นข้อปฏิบัติพิเศษที่เลือกจเพาะได้หรือบางทีก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทุกองค์ต้องถือแต่ถือเฉพาะเป็นเรื่องๆไป เ, เช่นว่าข้อปฏิบัติในการไปฉันอาหารในโรงในโรงฉันในเวลาโรงฉันจะต้องปฏิบัติยังไงหรือข้อปฏิบัติ ต่ออาคันตุกะแขกมาจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือข้อปฏิบัติในการที่ไปเป็นแขกไปเยี่ยมวัดคนอื่นนะอย่างเงี้ยก็เป็นวัดเหมือนกันขอภัยแม้แต่เข้าห้องน้ำก็ยังมีข้อปฏิบัติในการเข้าห้องน้ำนะอันนี้ก็เรียวกว่าเป็นพ ว, วัดต่างๆนะหรือข้อปฏิบัติระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์หรือครูหรืออุปชากับลูกศิษย์ ก็มีอุปชายวัดเนเะข้าปฏิบัติต่อปชาสัตถิวิหาริกวัดเข้าปฏิบัติต่อสัตถิวิหาริกนะมีอาคันตุกะวัดอาวาสิกวัดเนเะข้าปฏิบัติของอาคันตุกะเป็นแขกไปที่วัดอื่นหรือว่าเนื้อข้อปฏิบัติฝ่ายเจ้าว่าเจ้าถิ่นจะต้อนรับยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่า ข้อปฏิบัติในโรงฉันในหอฉันเรียกว่าพัดตักขวัตอย่าอย่างนี้ก็เรียกว่าวัดนะเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องหรือว่าข้อปฏิบัติที่อย่างเมื่อกี้อย่างอย่างทุดงก็เป็นข้อปฏิบัติที่เลือกเอาได้ไม่ได้บังคับไม่ได้ถือว่าจะต้องทําเสมอกันหมดเนี่ยจะต่างกับศีลรืยอฉพาะปัจจุบันได้มีการถือมั่งสวิรัตินี่ก็ถือว่าเป็นวัดชนิดหนึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เลือกได้แต่สําหรับภิกษุที่เลือกไม่ได้พอภิกษุนี่ แตาที่จริงแล้วไม่มีวัดข้อถือมังสวิรัติพระภิกษุนี่ต้องอาศัยอาหารที่ผู้อื่นถวายญาติโยมจะถือไดนะ้ข้อมังสวิรัติก็ถ้าถือก็เป็นวัดสําหรับญาติโยมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างศีลกับวัดนะศีลก็แปลว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ควรจะต้องประพฤติให้สม่ําเสมอกันสําหรับชุมชนนั้นทั้งหมด ส่วนวัดนะั้เป็นข้อปฏิบัติพิเศษที่ถือตามสมัครใจเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลาวตนเองหรือเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะกรณีเฉพาะเรื่องอันนี้อย่างพวกทุดงอย่างที่ว่าก็ต้องมีหลักในการถือ่ <c oughs> มไม่ใช่ว่าเอออยากจะถือก็ถือท่านก็ให้หลักพระพุทธเจ้าก็ให้หลักว่า พระเถระท้าอาจารย์ท่านก็เอาคําแนะนําจากพระพุทธเจ้ามาแนะต่ออีกทีหนึ่งวัตถุดงข้อไหนเราถือแล้วกุศลธรรมเจริญงอ่งงามก็ควรถือถ้าทุดงอันไหนเราถือแล้วจะทําให้กุศลธรรมเสือ่อมอกุศลธรรมเจริญก็ไม่ควรถือว่างั้นนะจะว่าบางข้อนี้อย่างบางท่านนี่ยจะไปปฏิบัติข้อนั่งไม่นอนอย่างเงี้ย อาจจะทำให้จิตใจวุ่นวายกระวลกระวายเสื่อมเสียสุขภาพไม่เหมาะกันก็ไม่ควรือก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่ามันจะช่วยให้กุศลธรรมเจริญไหม น, นั้นหลักการของเรื่องเหล่านี้ก็คือเพื่อสุกหัดขัดเกลาวตนเองไม่เป็นเหตุที่จะมาให้มาอวดตัวยกตัวถ้ามาถือข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นเหตุในยกตัวว่าฉันถือได้พิเศษอะไรแงขงทัดกว่า ท่านเรียกว่าเป็นอสัต บ, บุรุษว่างั้นนะท่านผู้ใดถือข้อปฏิบัติเหล่านี้ได้จิตใจอย่างนั้นได้ความรู้สึกโอ้ oh, ฉันถือข้อปฏิบัตินี้เคร่งครัดกับองค์อื่นเลยพระพุทธเจ้าสัตว์เรียกว่าเป็นอสัต บ, บุรุษ <laughs> <laughs> เพราะอาการยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อขัดเกลาตัวเองนะหรือถ้าหากว่าไปถือปฏิบัติเพื่อจะอวดชาวบ้านให้เขาเรื่อมใสอะไรต่างๆก็เป็นความผิดเป็นความผิดทางธรรมะนะ เป็นเรื่องของกิเลสนะก็เป็นอสัตย์ประหุษนั่นเองฉะนั้นก็ต้องระวังคือถือเพื่อขัดเกลาตนเองเพราะการที่เราถือเข้าปฏิบัติเคร่งครัด บ, บางอย่างเพราะเราอาจจะมีกิเลสมากในเรื่องนั้นใช่เป็นคนที่ปกติแล้วเห็นกับกินแล้ว เ, เราก็ต้องฝึกตนเองเป็นพิเศษในเรื่องการรับประทานการฉันพัฒนาหารก็เลยมาฝึกทุดดงในเรื่องพัตาหานเป็นพิเศษนี่เพราะเราเนี่ยมัน หนักในะทางนั้นใช่ก็เลยเพื่อจะขัดเกลารตนเองก็เลยถือให้เป็นวิเศษนะไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นผู้ที่ดีดกว่าคนอื่นหรืออะไรทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าจะจัดเวดีสามสําหรับพระองค์เองเป็คนเคยมาชมพระพุทธเจ้าพระองค์นี่เป็นอยู่ง่ายนะชันอาหารก็น้อยอยู่ที่ส ง, งบส ง, งัดอะไรต่งตางๆตอนนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุที่จะมายกย่องสรรเสริญเราถ้าท่านจะมาสรรเสริญเราเพราะอย่างนี้แล้วสาวกของเราเยอะแยะไปที่ถือปฏิบัติเคร่งคลัดกว่าเราในเรื่องเหล่านี้เราไม่ใช่เป็นผู้ที่สาวกจะเคารพนับถือยกย่องด้วยเ ห, เหตุเหล่านี้แต่ที่สาวกเคารพนับถือเราเพราะเราเป็นผู้ที่คนพบธรรมะ แล้วก็นำธรรมะนั้นมาแนะนํามาเปิดเผยเชิดแสดงดังนั้นภาษาพวกหลายองค์อย่างพระมหากัสสปะนี่ถือเคร่งครัดกว่าพระพุทธเจ้ า, ามาถือทุดงเต็มที่เลยตลอดชีวิตแม้แต่เมื่อแก่แล้วที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าชวนโอ้พระมหากัสสปะเพื่อเราพระพุทธเจ้ า, าเรียกพระมหากัสสปะก็เรียกกัสสปะเฉย ชื่อเดิมนั้นก็แค่กัสปะแล้วมาเติมมหาเข้าไปเพื่อแยกจากองค์อื่นแราวคาว่ากัสปะนี่เยอะเหลือเกินเป็นชื่อที่นิยมมากในยุคนั้นก็เลยเอาคําอื่นมาเติมหน้าเพื่อให้รู้ว่าเป็นกัสปะองค์ไหนเป็นมหากัสปะเป็นกุมารกัสปะอะไรเป็นอุรุเวลกัสปะเช่นพวกอะไรพวกนี้นะอันนี้พระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพรมหากัสปะในอายุเท่าชราลงมาก็เลยชวนว่าเนี่ยเธอ ถือแต่ถือดงอย่างจีวรก็ใช้แต่ผ้าบางสกุลผ้าที่ไปเที่ยวเก็บของที่เขาทิ้งมาต้มตัดเย็บย้อมอะเนี่ยมันก็โดยมากกับผ้าไม่ดีเนื้อหยาบก็หนักท่าะแก่แล้วนี่ควรจะใช้ผ้าละเอียดประนีตที่คฤหรา บ, บอดีเขาถวายแล้วก็อะไรพวกการฉันการเป็นอยู่อะไรให้มันสะดวกขึ้นก็หมายความว่า หยุดถือตู้ดงเหล่านั้นเสบียงก็ได้คล้ายๆพระพุทธเจ้าก็ให้โอกาสพระมหากรสปะก็ขอโอกาสกลับว่าท่านขอปฏิบัติไปตามเดิมงั้นขอถือตามเดิมที่อยู่ป่าเป็นวัดใช้ผ้าบางสุกกุลเลยถือฉันแต่อาหารบินตาบา่ท่านจะถือไปตามเดิมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเอ้าทําไมล่ะพระมหากรสปะก็กลาบทูลบอกว่าก็ท่านจะได้ประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบอย่างสําหรับชนรุ่นหลังต่อไปว่าปชิมาชนาตาทิฏฐานุคติงอปัจชายะแปล ว, ว่าประชุมชนที่เกิดตามมาภายหลังก็คือพระภิกษุทั้งหลายเป็นต้นจะได้ถือเอาเป็นแบบอย่างนะเป็นตัวอย่างนี่ก็สําหรับพระอรหันต์นี่ไม่ได้ถือเพื่อฝึกตนเองแล้วแต่ถือเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปแล้วก็ท่านก็บอกแล้วก็ เนความสบายพอใจของท่านอย่างนั้นด้วยคล้ายว่าท่านปฏิบัตมิมันจนชินและวตลอดชีวิตทีนี้ก็มีข้อสังเกตอีกอันก็เกี่ยวกับคําว่าทุดงที่เรามาใชา้ในภาษาไทยและความหมายมันเพี้ยนไปทุดงคนสมัยปัจจุบันนี้เข้าใจไปว่าพระเนี่ยเที่ยวเดินทางไปใช่ไหมเดินทางไปพักที่หนุ่นแวะที่นี่เอากรดไปด้วยไปถึงก็ข้ามที่ไหน กลางกรดเขาก็แล้วก็ไปจําวัดในกรดอันนี้เราก็เลยนึกว่าธุดงคืออย่างนี้มันเป็นศัพท์ที่ความหมายเพี้ยนแล้วมันเพี้ยนไปได้อย่างไรนี่ท่ว่าถือบิดาบาต ท, ทุกวันนี่ก็เป็นธุดงนะทีนี้ว่าทําไมมันเพี้ยนกลายเป็นว่าทุดงก็คือพระที่เที่ยวเดินไปงั้นไปเรียกเรียกพระธุดงใช่ไ อ้าวมันก็มีเหตุในทุดงสิบสามข้อ น, นั้นเมื่อกี้บอกแล้วมันมีอยู่ข้อหนึ่งคือว่าถืออยู่โคนไม้ถืออยู่โคนไม้นี่มันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่มีที่อยู่ชัดเจนใช่ไหมโคนไม้นี่มันมีเรื่อยยิ่งสมัยก่อนป่าเต็มไปหมดเดินทางไปไหนก็มีโคนไม้ให้ไปพักได้เท่านั้นแล้วคนที่อยู่โคนไม้นี่เป็นอิสระใช่ไหม ไม่มีความติดผูกพันไปไหนก็ไปได้วันนี้ค้างที่นี่อีกคืนนี้ไปค้างที่โน่นนะอยู่โคนไม้ในพระที่ถืออยู่โคนไม้เป็นประจำเนี่ยก็อำนวยโอกาสให้ท่านเดินทางจาริกไปเรื่อยๆอันนี้ในสมัยก่อนในเมืองไทยนี่พระบวชแล้วมักจะอยู่กันค่อนข้างนานไม่อยู่กันค่อนข้างนานพระเก่าก็เวลาพระใหม่บวชออกพรรษาแล้วไม่ต้องอยู่ประจำที่ก็ สมัยก่อนนีอย่างพุทธการนี้พอออกพรรษาก็จ่าดิกต่อในพระกก่าก็จะชวนพระใหม่เอ้าออกไปลุกขมูลกันสมัยก่อนเขาเรียกไปลุกขมูล น, นี่แหละลุกขมูลก็คือไปถือธูดงข้อไปอยู่ตามคนไม้สมัยก่อนเขาเรียกลุกขมูลนะไปลุกขมูลไปลุกขมูลกันอ้าก็หากรดมาก่อนจะออกพรรษาก็เตรียมแล้วเตรียมกรดแล้ว ออกภรษารับกระถินแล้วทีนี้ก็ออกจาริกกันแล้วทีนี้ก็ไปลุกขมูลก็ไปกันเดินทางไปแล้วก็ค่ำไหนก็ไปกลางกรดแล้วก็นอนพักจาวัดกันในกรดตามโคนไม้นี่แหละไปลุกขมูลไปลุกขมูลถือธุ ด, ดงข้อลุกขมูลคืออยู่โคนไม้ก็ทำให้ได้เดินทางไปเรื่อยๆทีนี้ลุกขมูลก็เป็นทุ ด, ดงอย่างที่ว่าแลใช่ไห ทุดงข้อลูกขมูลแหละที่ทำให้เดินทางไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นเรียกทุดงข้อลุกขมูลนี่เองกลายเป็นว่าจำกัดความหมายของทุดงมาอยู่แค่ลูกขมูลนี่แหละเลยแค่เดินทางจาริกไปตามโคนไม้ไปใช่ไหมทั้งที่ทุดงมีตั้งหลายข้อแต่สมัยก่อนเขาไม่ค่อยสับสนเขาเรียกลุกขมูลนะอย่างที่ว่า เดี๋ยวนี้มาเรียกเป็นทุดงแล้วคนสมัยนี้ก็ไม่รู้จักคําว่าลุกขมูลเลยใช่ไหมอ่าลุกขมูลก็แปลว่าโนไม้นี่คือความเป็นมาที่ทําให้ศัพท์มีความหมายเพี้ยนแล้วทุดงเดี๋ยวนี้จริงเพี้ยนใหญ่มีความหมายว่าเดินจาลิกไปทีนี้ไม่ได้อยู่โคนไม้แล้วนี่ที่ไปอยู่ข้างตึกก็มีใช่ไหมนะเมีเข้าเมืองเข้าอะไรไปวุ่นวายหมดแล้วทุดงเดี๋ยวนี้เราะฉะนั้นถ้าไปเจอพระทุดงก็บอกท่าน มาทุดงอะไรแถวนี้ <laughs> น, นีโน่นคนมาให้นอนไปก็มันกลายเป็นเป็นที่เข้าเมืองไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ไม่มันไม่ใช่เพื่อขัดเกลากิเลสเลยใช่ไหมเนี่ยก็ต้องจับหลักให้ได้หนึ่งธุดงในแปลความหมายว่าเดินทางนี่หมายถึงลุกขมูลสองต้องไปการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสของตนใช่ไหม และท่านไปปฏิบัติขัดกลาวกิเลสเขาตัวเองอะไรบังไม้องค์นั้นนะถ้าไม่ทำตามนี้ก็ไม่ใช่ทุดงอ่ะเป็ที่ปากโกรธแล้วแจกอะไรแต่อะไรวุ่นวายหมดใช่ไมเออนี่ก็เป็นเรื่องของความเพี้ยนทีนี้ถ้าพุทธศาสนาดิฉชนเรา ร, ร, รู้หลักอยู่ใช่ไหมก็จะเป็นเครื่องช่วยในการรักษาพระศาสนาด้วยถ้าไม่ไหวละอย่างอาัธนสินยพระไม่พระไา อ๋อพร ะ, สะแสดงธรรมระสะแสดงธรรมก็ <S 2> <S 2> น, นี้ก็ข อ, อยุติธนิก่อน